พระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกุศลกับอากุศล น, นี้มีผลต่างกันฝ่ายบุคคลที่กระทาการกุศล น, นั้นครั้นกระทากาาลกิริยาแล้วก็บ่ายหน้าไปสู่สวรรค์บุคคลกระทาการอากุศล น, นั้นก็ได้เสวยผลเป็นอันเที่ยงที่จะไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นขอถวายพระพร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 ปุณจจะปารังอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเป็นมนุษย์พระบรโมโพธิสัตว์เป็นพระยาวานอนมีนามกรชื่อว่ามหากปิชาติหนึ่งเล่าพระบรโมโพธิสัตว์เจ้าเป็นพระยาช้างฉัตรทันพระเทวทัตนั้นเป็นพรามตามฆ่าเอางาอีกชาติหนึ่งเล่าพระเทวทัตเป็นมนุษย์พระโพธิสัตว์เจ้าเป็นนกกระทาพระเทวทัตก็ฆ่าเสีย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 ที่เสมอกันก็มีโยมเห็นชนี้ก็เข้าใจว่ากุศลกับอกุศลมีผลเสมอกันพระนาคเษนเถระจึงถวายพระพรว่าใช่กระนั้นผลแห่งกุศลและอกุศลจะได้เสมอกันหามิได้พระเทวทัต ถ, ถึงจะมียศศักดิ์สักเพียงไรก็ไม่เป็นที่รักแก่เทพามนุษย์ทั้งหลายส่วนพระโพธิสัตว์เจ้า หามีผู้ใดเกลียดชังพระองค์ไม่พระเทวทัตปฏิทุสน์ร้ายต่อพระองค์ก็ต้องไปทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกมหาราชาดุรานะบอพิษผู้ประเสรศิฐซึ่งว่าพระเทวทัตได้เจริญด้วยยศศักดิ์สมบัติปริวานในบางชาติบางภพนั้นเป็นด้วยเธอได้กระทากุศลไว้คือบางชาติได้เป็นเจ้าบ้านปกครองรักษามนุษย์นิกรทั้งหลายให้เป็นสุข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 ครั้งหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นอธรรมยักษ์เป็นผู้มิได้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติแต่กรรมอันเป็นทุจริตแล้วชักนาให้ผู้อื่นประพฤติตามครั้นตายไปแล้วตกนรกอยู่ห้เจดโกรกับหกหมื่นปีฝ่ายพระบ ร, รมโพธิสัตว์ก็เสวยพระชาติเป็นสุธรรมยักษ์สถิตยอยู่ในธรรมและชักนาผู้อื่นให้ประพฤติตาม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 กุสลากุสละกาลิสาสมาสมาปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้